ควรศึกษายิ่งขึ้นไปเพื่อความเข้าใจหลักกรรมให้ชัดเจนข้อ4แก้กรรมด้วยปฏิกรรมปฏิกรรมเป็นคําสอนสําคัญส่วนหนึ่งของหลักกรรมคําว่าปฏิกรรมนิยมแปลกันมาในภาษาพระว่าการทําคืนถ้าแปลให้เห็นศัพท์เดิมหรือล้อคําเดิมก็คือการแก้กรรมหมายถึงการแก้ไขการทําให้กลับคืนดี การทำใหม่ให้เปลี่ยนเป็นดีการเลิกละกรรมชั่วหันมาทำกรรมดีหรือการกลับตัวปฏิกรรมหรือแก้กรรมนี้แต่เดิมเป็นคำพื้นพื้นที่ใช้ในชีวิตประจําวันมีความหมายว่าถ้าอะไรเสียหายเสื่อมโทรมไปก็แก้ไขให้กลับคืนดีหรืออะไรที่ทำไปขาดตกบกพร่องก็ปรับแก้ใหม่ให้เต็มให้สมบูรณ์การจัดการแก้ไขความผิดพลาดต่างๆ เพื่อพลิกกลับให้เป็นไปในทางที่ดีรวมทั้งการเยียวยาแก้ไขบาบัดโรคก็เรียกว่าเป็นปฏิกรรมทั้งนั้นเมื่อใช้เป็นศัพท์ในทางธรรมปฏิกรรมมีสาระสำคัญคือยอมรับความผิดพลาดที่ได้ทำไปแล้วละเลิกบาปอากุศลหรือการกระทำผิดพลาดเสียหายที่เคยทำนั้นเปลี่ยนไปทำกรรมดีแทนหรือหันกลับจากความชั่วร้ายมาทาความดีงามถูกต้องทาบุญกุศล แก้ไขปรับปรุงตนเปลี่ยนแปลงกรรมจากการทำความชั่วมาทำความดีตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ความถูกต้องสมบูรณ์ในพระธรรมวินัยนี้สำหรับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงนำหลักปฏิกรรมมาวางเป็นพุทธบัญญัติซึ่งกำหนดเป็นวินัยที่มีผลบังคับให้ต้องปฏิบัติจัดเป็นวินัยบัญญัติสองเรื่องคืออาปฏิปฏิกรรมและ ปวารณากรรมพร้อมกันนั้นในวงกว้างออกไปสำหรับทุกคนไม่ว่าบัะชิตหรือครือหัดทรงเน้นย้ำให้บำเพ็ญปฏิกรรมที่มากับความสำนึกและสารภาพความผิดที่เรียกว่าอัจจยะเทศนาถือว่าเป็นหลักปฏิบัติในแบบแผนของอารยชนหรือเรียกเป็นศัพท์ว่าอารยวินัยรวมเป็นหลักปฏิกรรม ที่เป็นระบบวิธีปฏิบัติทางสังคมขั้นพื้นฐานในพระธรรมวินัยนี้3ประการคือ 1. อาปฏิปฏิกรรมซึ่งแปลกันว่าการทำคืนอาบัตหรือปลงอาบัตเป็นวินัยบัญญัติสำหรับพระสงฆ์มีสาระสำคัญว่าทำความผิดแล้วก็รู้ตัวเปิดเผยความผิดนั้นและบอกว่าเลิกละจะไม่ทาอีก คือการที่พิสุหรือพิสุนีบอกแจ้งความผิดของตนเพื่อจักสังวรต่อไปทั้งนี้แม้แต่แค่สงสัยท่านก็วางวิธีปฏิบัติไว้ให้ดังเช่นเมื่อถึงวันอุโบสถพิสุรูปหนึ่งเกิดความสงสัยว่าตนอาจจะได้ต้องอาบัติก็บอกแจ้งแก่พิสุอื่นรูปหนึ่งว่าอะหังอาวุโสอิถัานนามายะอาปติยาเวมติโก ยธานิเพมติโกภวิษสามิตถาตังอปัติงปิกริษสามิแปลว่าท่านครับผมมีความสงสัยในอบัติชื่อนี้หายสงสัยเมื่อใดจากปฏิกรรมอาบาตั น, นเมื่อนั้นรูปกริยาของปฏิกรรมคือปฏิกระนิยมแปลกันมาว่าทำคืนในที่นี้แปลทับศัพท์ว่าปฏิกรรม เพื่อให้เห็นชัดหลักปฏิกรรมที่เป็นระบบวิธีปฏิบัติทางสังคมขั้นพื้นฐานข้อสองประวาราณากรรมคือการบอกเปิดโอกาสเชื้อเชิญให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นวินัยบัญญัติสำหรับพระสงค์เป็นสังฆกรรมประจำปีตอนจบการจำพรรษาเรียกสันส้นๆว่าประวาราณามีหลักการว่าหลังจากอยู่ร่วมกันมาตลอดพรรษา ภิกษุหรือภิกษุณีทั้งหลายประชุมกันและแต่ละรูปกล่าวคำเปิดโอกาสหรือเชิญชวนแก่ที่ประชุมโดยมีสาระว่าตามที่ได้อยู่ร่วมกันมาถึงบัดนี้ถ้าได้เห็นได้ยินหรือมีเหตุให้หน่าระแวงสงสัยว่าตนได้ผิดพลาดบกพร่องทำอะไรเสียหายก็ขอให้บอกขอให้ว่ากล่าวเมื่อมองเห็นแล้วก็จะได้ปฏิกรรมทาการแก้ไข เริ่มด้วยรูปที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดว่าสังคังอวุโสปวารเรมิทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาวทันตุมังอายะสมันโตอนุกรมปังอุปาทายะปัตสันโตปฏิกริตสามิแปลว่าเธอทั้งหลายฉันประวารณาต่อสง์ด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ฟังก็ดีด้วยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉันฉันเห็นอยู่จากปฏิกรรมหลักปฏิกรรมที่เป็นระบบวิธีทางสังคมขั้นพื้นฐานข้อ3อัจจะยะเทศนาเป็นหลักปฏิบัติอย่างหนึ่งในอริยวินัยคือสำหรับทั้งพระสงฆ์และครือขัดมีสาระสำคัญว่าเมื่อใดก็ตามถ้ามีใครทำการละเมิดล่วงเกินเข้าใจผิด หรือทำอะไรไม่ดีต่อผู้อื่นต่อมารู้ตัวหรือสำนึกได้จะปฏิกรรมแก้ไขกลับตัวก็ไปขอขามาอภัยเขาการแสดงความยอมรับหรือสำนึกผิดในการที่ตนได้ทำความผิดละเมิดหรือล่วงเกินผู้อื่นและมาบอกขอให้เขายอมรับความสำนึกของตนเพื่อที่ตนจะได้ปฏิกรรมและสำรวมระวังต่อไปนั้นเป็นความเจริญงอกงามในอริยวินัยในพระไตรปิฎก มีเรื่องราวหลายกรณีที่ชาวบ้านบางคนและพระบางรูปก็มีทำผิดล่วงเกินแม้กระทั่งต่อพระพุทธเจ้าเมื่อสํานึกได้ก็ไปสารภาพผิดกราบทูลขอขามาอาภัยต่อพระองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเมื่อได้ทําผิดพลาดล่วงเกินไปเพราะความหลงความเขามองเห็นโทษแล้วแก้ไขเสียก็ส่งรับขมาการที่ใครก็ตามทําผิดพลาดแล้วมองเห็นโทษ มาปฏิกรรมกลับตัวแก้ไขทำความสังวรต่อไปนั้นเป็นความเจริญงอกงามในวินัยของอารยชนดังเช่นในกรณีในขมังธนูที่รับจ้างมาเพื่อสังหารพระพุทธเจ้าแล้วสำนึกผิดและเข้ามากราบทูลความสำนึกผิดของตนพระพุทธเจ้าได้ตรัสข้อความที่เป็นหลักในเรื่องนี้ว่ายะโตจะโขตวังอาวุโส อจจะยังอจจจยโตทิศวายธถาธรรมมังปฏิกรโรสิตันเตมยังปฏิคันหามะวุธิเหสาอาวุโสอริยสักวินเยโยอจจะยังอจจจยโตทิศวายถาธรรมมังปติกรโรติอายติงสังวรังอาปัจจิแปลว่าเพราะการที่เธอมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทําคืนตามธรรม เราจึงยอมรับโทษนั้นของเธอการที่ผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วปฏิกรรมตามธรรมถึงความสังวรต่อไปข้อนั้นเป็นความเจริญในอริยวินัยปฏิกรรมนี้เป็นการนำหลักกรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคนด้วยการให้เขาพัฒนากรรมของเขาเองโดยอย่างน้อยให้ปฏิกรรมคือแก้ไขเพื่อให้การกระทาครั้งต่อไปดียิ่งขึ้นหรือ กลับร้ายกลายดีไม่ใช่ว่ากลัวจะมีกรรมก็เลยไม่ทําอะไรเหมือนอย่างลัทธินิครนและที่สําคัญคือไม่ใช่ว่าทําผิดพลาดไปแล้วก็หมวกครุ่นคิดหมุนหมองขุ่นข้องคร่ําครวญหวนละห้อยจมอยู่กับอดีตซึ่งทางธรรมถือว่าเป็นการเสริมซ้ําบาปอากุศลและกีดกันกุศลให้เสียโอกาสเป็นการเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนเอง การที่ว่าเมื่อทําอะไรผิดพลาดไปแล้วตนมาตระหนักรู้ความผิดพลาดนั้นก็ไม่มัวอยู่กับความรู้สึกทั้งไม่มัวทุกข์และทั้งไม่มัวนิ่งนอนใจแต่หันไปหาความรู้คือไปอยู่กับปัญญาค้นหาพบข้อบกพร่องแล้วคิดที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือคิดกลับตัวใหม่ก็จะได้ปฏิกรรมกลับจากร้ายกลายเป็นดีเข้าหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสันเสริญนี้ อีกทั้งเข้าหลักเป็นความไม่ประมาทด้วยเท่ากับว่าปฏิกรรมมาหนุนย้ำความไม่ประมาทที่เป็นหลักธรรมใหญ่ทำให้บุคคลนั้นเจริญงอกงามมีแต่ความก้าวหน้าพัฒนาสู่ความสมบูรณ์ขอนำพุทธภาษิตในพระธรรมบทซึ่งพระองคุลีมานเมื่อกลับตัวกลับใจมาเกิดใหม่ในอริยวินัยแล้วครับนบรรลุอรหัตผลเสวยวิมุติสุขอยู่ ก็ได้นํามากล่าวเท่ากับเป็นการเสริมย้ําความในเรื่องปฏิกรรมดังนี้ผู้ใดประมาทพลาดไปแล้วในการก่อนครั้นภายหลังกลับตัวได้ไม่ประมาทผู้นั้นย่อมทําโลกนี้ให้สว่างสดใสดุดดังดวงจันทร์อันพ้นไปแล้วจากเมฆหมอกผู้ใดได้ทําบาปกรรมไว้มาปิดเลิกเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้น ย่อมทาโลกนี้ให้สว่างสดใสดุดดังดวงจันทร์อันพ้นไปแล้วจากเมฆหมอก